ตอนนี้โยมกลับกันไปเยอะแล้วเนาะ <laughs> ดีอย่งวันนี้เวลาม า, า, มายังนึกอธิษฐานเลยว่าเอ๊ะปิดให้หมดนี่ได้อยู่ฟังทมกันทั้งหมด <laughs> สแสดงว่าแสดงว่ากลับกันไปหมด <laughs> เมื่อเช้าเมื่อเช้ายังบอกเพื่อนบอกพระไม่ใช่บอกพระเราบอกเพื่อนบอกพระเอ๊ะจะเอาบาทมาด้วยก็คิดว่าเอ๊ะจะเตรียมกรดเตรียมบาทมาอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงเลยนะเพราะว่าพระไม่เห็นไม่กังวลอะไรใช่ไหมทานนั่นเราก็เดินบินบาทไปเรื่อยๆแล้วเขาปากกรไปแล้วก็เดินออกได้ แล้เข้าหาบินแถวมอบนี่เลย <c oughs> เป็นคนพด ท, ทั้งนั้นมีอะไรหรอก <c oughs> ถ้อเอินเลยลืมเลยเลยพอดีเลยนั่นไปนั่นมาก็เลยลืมลืมแท้จริงก็คือกะที่แรกกะอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อกี้ยอมมาบอกอามาบอกว่าจะต้องรีบกลับแล้วกลัวเข้าบ้านไม่ได้อามาบอกเอ้าทำไมทิ้งกันทั้งน้ว <c oughs> ก็ตรงนี้นะให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาบอกว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติตามบ้าธรรมเนี่ยมีมากถ้าในอนาคตเราก็จะเจอเหตุการณ์อะไรอีกเยอะไปหมดอันนั้นบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหม บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนแก่เราท่านทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นในชีวิตของเราท่านทั้งหลายลองสังเกตดูที่ว่าในกลุ่มผู้ศึกษาพระธรรมหรือในกลุ่มที่เป็นชาวพุทธเนี่ยบางกลุ่มศึกษาคําสอนหรือว่าบางกลุ่มนั้นเข้ามาศึกนับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นับถือระดับต่างกันออกไปเมื่อสักครู่พระก็เล่าให้มาฟัง ท่านมาอำนาจเนี่ยปีนี้ท่านท่านได้รเรียนทำก้าวประโยคท่านก็เล่าให้เรามาฟังท่านบอกว่ามีอยู่ที่หนึ่งเท่านี้มลไปมีรถหลายกันเขาก็จัดเนี่ยไปถวายพระกันไปบูชาวัดต่างวัดต่างๆโยมก็ไปกันเป็นสิบคันยี่สิบคันนี่นะ ท่านก็ขึ้นไปท่านก็ไปเห็นเขาจะนิมนต์ให้พระไปนั่งไปนั่งประจำรถเนะี่ยรถละองค์สององค์อะไรต่างกันแล้วท่านก็ไปนั่งทีนี้ในขณะที่ไปเวลานั้นเขาก็จะมีการแข่งขันกันแข่งขันกันว่าเออไปถึงเบสเสร็จก็มีการประมูลบุญประมูลอะไรกันเนี่ยนะท่านก็เอ๊ะเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรท่านก็พูด พูดในรถไปเรื่อยๆเพื่อให้คนเข้าใจคนทั้งคันรถเนี่ยนะพูดท่นเขาก็ต้องฝืนใจบังอยู่แล้วใช่ไพอพอเสร็จกิจกรรมนั้นไม่มีใครมองหน้าท่านพรกองค์เลยวะคือคือคนเราเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกิจกรรมหรือประเพณีเนี่ยเขาก็เต็มที่แต่ถ้าหากเรื่องคำสอนเพื่อจะขัดเกลาตัวเองจริงๆเนี่ย เขาไปไม่ถึงแล้วฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คนที่จะเอาความรู้หรือเอาความเข้าใจในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนะี่ยนับวันก็ล้อยหลอลงล่อยหลอลง อ, อ, อันนั้นเป็นเหตุผลให้เราท่านทั้งหลายต้องมาพิจารณาดูว่าในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นกันโดยทั่วไปการแสดงความเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันต้องแสดงออก ทางกายทางวาจาโดยเฉพาะทางด้านจิตใจต้องชัดให้สังเกตดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตอนสร้างบา ร, รมีการเจออุปสรรคเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นอย่าอย่าไปเห็นว่าอุปสรรคนั้นคือปัญหาอุปสรรคมันก็คือทุกข์สัตว์อย่างหนึ่งใช่เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ ทีนี้การกำหนดรู้การเรียนรู้การรอบรู้นั้นเราจะใช้อะไรไปรอบรู้ไปเรียนรู้ใช่ไหมถ้าเราใช้ตัณหาใช้มานะหรือใช้มิจฉาทิถีไปรู้มันก็เป็นการไปผูกปมปัญหาไปทุกข์กับปัญหาไปวุ่นวายไปไปวิตกกังวลกับปัญหานั้นทีนี้ในสังสารวัตที่ผ่านมาถ้าเรามาคิดดูว่าอย่างกรณีอย่างเนี้ แล้วมองมองไปใช่ไหมแล้วเหมือนว่าโหยวุ่นวายกันเลยเกิดเนี่ยปิดหมดตรงนั้นก็ปิดหมดตรงนี้ก็ปิดหมดที่จริงเนี่ยความวุ่นวายมันไม่สู้ในใจหรอกใช่ไหมมันจะปิดตรงไหนก็ปิดไปเหอะแต่ถ้าใจมันวุ่นวายนี่เนะียต่อไม่ปิดมันก็วุ่นใช่ไหมใช่ฉนั้นปัญหาจริงๆมันยังไงจําได้ไหมว่านางมาลิกาภรรยาของท่านพันธุระเสนาบดี สามีพร้อมลูกสามสิบกว่าคนเนี่ยไปสงครามแล้วก็ตายตายในสมองแล้วผุลบตอนนั้นนางก็มาทำบุญเนี่ยใช่ไหมมาถวายทานมาเฝ้าพระพุทธเจ้าสาวบกพุทยามีภาษารีบุตรเป็นต้นทีนี้บ่งเอิญช่วงหนึ่งที่ว่าเกิดถ้วยหรือภาชนะนั้นหล่นแตกพระสารีบุตรก็บอกว่าดูกนมาเลกาเนี่ย บอกว่าสรพรพสิ่งเป็นแบบนี้แหละมีความไม่เที่ยงเป็นต้นอย่าทุกข์ใจเลยในทํานองอย่างนั้นนลนะนางก็บอกว่าข้าแต่พระคุณย้าสักครู่เนี่ยคนใช้มาบอกว่าสามีและลูกเนี่ยตายในสมอละภูมิลบใจของดิฉันยังไม่หวั่นไหวเลยนี่ไงอุบาสิกาในพระศาสนาเขามั่นคงแบบนี้ เราขอสะครึ่งหนึ่งนิใช่ไหมแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องถึงขนาดท่านเราเอาแค่ครึ่งเดียวดับไฟในใจคือความกวนกวายคือความร่ร้อนออกเสียให้คิดในใจว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างเงี้ยเราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคยังไงนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูฉะนั้นเราศึกษาการสร้างบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ต้องชัด สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องทำให้เป็นบรรยาให้ได้ใช่ไหมต้องทำให้เป็นบรรยาให้ได้ถ้าเอามาเป็นปัญหาอย่างเดียวเราจะทุกใหญ่มากเลยทั้งๆที่มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเลยใช่ไม่ใช่ที่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่บอกว่าถ้าปริมาณปัญหาแค่นี้แต่ถ้าเราถ้าไปเพิ่มในใจเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็ดิ้นลนอยู่กระสับกระสนดิ้นลนกวนกวา ลองเค้นเกียรติดูทีว่าในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยบางสถานที่บางแห่งเนี่ยเขาหิวตายกันไปเยอะแยะบางสถานที่บางแห่งเนี่ยก็น้ําก็ท่วมบางแห่งก็ไฟก็ไหม้บางแห่งก็โจรปล้นบางแห่งทั้งไฟภาครัฐก็ยึดทรัพย์อะไรเยอะแยะไปหมดแนละ้วบางแห่งก็โรคภัยแค่เจ็บียดเบียน คนก็กําลังจะตายกันก็ไม่รู้เท่าไหร่และที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่ที่กําลังเกิดใหม่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคนที่กําลังทํากรรมชั่วก็เยอะคนที่กําลังเจริญกุศลก็ามากนี่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะขัดเกลาตัวเราเองอยังไงนั่นประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้บอกว่าเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนะี่ยท่านถึงบอกว่าการระดมความเพียรเป็นเรื่องจําเป็นพระพุทธเจ้าสอนอยังไง พระเจ้าบอกว่ามีในสมัยหนึ่งใช่ไหมมีในสมัยหนึ่งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็คือประชาจะเกิดการลบพุ่งกันประชาคนจะแตกแยกกันบอกกับพระเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาแตกแยกกันขัดแย้งกันเกิดภาวะสงครามจากมีในสมัยหนึ่ง ใช่ไหมเมื่อมีในสมัยนั้นขึ้นมานั้นนะ่ะการจะระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งจะทําได้ยากกว่านี้จะมีในสมัยหนึ่งแต่ถ้าปัจจุบันนี้เอาปฏิกิริยาการก่อวอร์ดมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยท่านให้ตั้งระดมความเพียรตอนนี้เราได้เป็นระโสดาบันโสดาปฏิมาร์ครหรื อ, อยังยังไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเพียรพยายามเพื่อให้ถึงโสดาปฏิมาร เพื่อทํำบกบรลุโสดาปฏิผลและทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานของพระโสดาบันเป็นต้นนี่เรายังไม่ได้สักมตกเลยเนี่ยเนาะไอ้ตรงเนี้ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านีาต้ต้องรีบระดมดิ้นถึงวาระหนึ่งสมัยหนึ่งเราจะทําไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ยังพอได้อยู่ถึงแม้คนที่เขามาปิดมาลอ้อมมาอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเขาก็เพียงเป็นชาวพุทธเหมือนกับเราใช่ไหถ้าถามมาคุยรู้เรื่องมันก็คุยรู้เรื่อง ไม่ใช่คนต่างชาติต่างาศาสนาอะไรเพียงแต่เขาขัดแย้งทางด้านแคประเด็นทางด้านการเมืองก็ก็ว่ากันไปยังไงเขก็ว่ากันไปบางครั้งก็เดือดร้อนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่ที่มันเกิดขึ้นบางแห่งหนักกว่า น, นี้อีกใช่ไหมบางประเทศหนักกว่า น, นี้มีการเผามีการทําลายมีการยิงแก๊สน้ําตุงน้ําตามีการฆ่ากันอะไรเยะแยะหมดแต่นี้มันมันถึงบอกเลยบอกว่า สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็พัฒนาตัวมันไปตามความรู้ตามความเข้าใจที่ถูกอัดข้อมูลไปแต่ละฝ่ายแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องการข้อมูลแบบนั้นเราต้องการข้อมูลเก่าคือพระธรรมคาำำสอนนั่นแหละอัดมาเข้ามาสู่ในกระแสจใจเราท่านทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อทำให้ใจของเรานั้นเป็นไปกับการเจริญกุศลได้ชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วเราเอามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ดูเส้นทางของท่านถามว่าดูเส้นทางของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านเดินทางมาอย่างยาวไกลในการที่บําเพ็ญบารมีเนี่ยให้สังเกตดูว่าการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะการที่ท่านจะต้องร ะ, ระดมความเพียรหรือเร่งรีบในการที่จะระดมความเพียรของท่านน่ยนะอันนั้นท่านทําเพื่ออะไรเพราะท่านเห็นโทษ ท่านเห็นโทษอย่างที่เรากำลังประสบพบเจอกันอย่เนี่ย เ, ยเห็นโทษของสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดบอกว่าตราบใดถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะสิ่งต่างๆสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือสิ่งสิ่งเก่าแต่มาเจอใหม่ฉะนั้นพอมาเจอสิ่งเก่าแต่ที่เรามาเจอใหม่เนี่ยนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราบางครั้งก็ตกใจแท้ที่จริงเนี่ย ถ้าโยมทั้งหลายที่เกิดมาในยุคที่อายุมมากใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยขึ้นขคร่องวินยิงกันปุ๊บปุ๊ปุ๊เมากอย่างเต็มนามหลวงใช่ไ้ยสถานการณ์นั้นเราก็ผ่านซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ลลืมกันเกือบจะหมดแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มาพิจารณามาดูคำสอนของพระเจ้าเราจะได้เราจะเล่งระดมยังไงระดมความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรม ที่พระบรมศาสดาทรงกล่าวและก็ทรงสั่งสมกัาไว้นี้ทีนี้มาดำเนินเรื่องนะในก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระโพธิสัตว์ในการที่จะได้รับพุทธภยากรเป็นครั้งแรกเขาเรียกกายและก็วจีปณิธานท่านก็พารนากัไว้ น, นนะว่าในกรณีที่ท่านสั่งสมอัธยาศัย ที่บอกว่าอสงไขยกับสพุทธเจ้าสี่พระองค์เนี่ยความบอกว่าเมื่อเสลอสงไขยกับหนึ่งโอภาสอสงไขยกับหนึ่งชยะอสงไขยกับหนึ่งอรุจิราอสงไขยกับหนึ่งทั้งสี่อสงไขยกับนี่แลพระผ้าจานย่อากล่าวว่าเป็นนิบาตของอสงไขยกับเป็นต้นทีนี้อสงไขยกับอันเป็นเบื้องต้นน่ยชื่อว่าเสระอสงไขยกับก็ไร่มาตามลําดับใช่ไหม จนถึง9อสงไขยดังที่ได้ ก, กล่าวต่อมาก็มีพระพุทธเจ้าในสารมันดกับทรงมีพระสัมมาสมุทรเจ้าอุบัติเกิดขึ้น4พระองค์เขาเรียกสารมันดกับในปัจจุบันนี้เขาเรียกพัทธกับมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหใช่ไหมแต่ในสมัยที่พระบรมศาสดาของเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับพุทธภรรยากรในครั้งแรกตอนนั้นอยู่ในยุค ข, ของสารมันดกับ เป็นกั่ที่มีพระเจ้าอุบัต <erves> ิเกิดขึ้นมาสี่พระองค์ในสี่พระองค์นั้นก็มีพระตันหังกรพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระเมธังกรพระพุทธเจ้าสระนังกรพระพุทธเจ้าและพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระตันหังกรพระพุทธเจ้าเตสุตันหังกรโรโพธิสัตโตเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์นั้นพระตันหังกรโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมาครบท่วนส6หอสงไขยกับอีกแสนกับในปชิมาชาติพระ อ, องค์ก็บังเกิดในมาตุคันโพธรสมเด็จพระสุนันทาราชเทวีอัครมเหสีสมเด็จพระเจ้าสุนันทามหาราชผู้ผ่านมหาสุรยะสมบัติอยู่นับปุปภวดีราชธานีพระพุทธองค์นะพระพุทธ ทางกูลโพธิสัตว์ตอนนั้นสเสวยสิริราชสมบัติอยู่หมื่นปีก็ได้เห็นปุพภนิมิต ท, ทั้งสี่เห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณนะใช่ไหมยมที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนแก่แล้วก็เห็นที่นั่งอยู่นี้ก็มีคนแก่ใช่ไหมคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็น นักบวชล้วก็เห็นแต่เห็นแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมไม่เห็นมีความรู้สึกอะไรเลยเป็นอย่างนั้นไหมยมใช่ไหเห็นเลยเห็นคนอื่นแก่ไม่พอไม่ก็ไม่เป็นไรเห็นตนเองแก่ทุกข์ใจกาอีกใช่ไหมถามว่าทำไมการเห็นของเราท่านทั้งหลายมันไม่สะดุ้งสะดือน ไม่เห็นป๊บไม่เหมือนกับแม่เหล็กที่มันดูดอะไรเข้ามาสะเทือนในใจเนะี่ยละทมทุกเลยเนะี่ยกลับมาแล้วนอนนอนหงายกายนะพากนอนไม่หลับเลยว่าเราจาพัพ้นจากสภาพของความแก่อย่างไรเนาเลนเคยคิดถึงขนาดนั้นนะถ้าคิดในลักษณะนั้นแสดงว่าความแก่นั้นเนะ่ยเป็นอุปนิสยปัจัยแก่ความสะดุ้งสะเทือนสัตทินรียที่ยังไม่แก่กล้าก็แก่กล้าขึ้นเพราะได้อา ร, รมณัปัจจัยคือความแก่ เวิยินซียิญซีมันไม่แก่กล้ายังไม่แข็งแรงก็สะดุ้งสะเทือนขึ้นมาเพราะการได้มีความแก่เป็นอารมณ์ปัจจัยสตินินรีย์สมาตินรียปัญญรียก็แข็งแรงขึ้นมาอย่างฉับพลันเมื่อเห็นอัตภาพของความแก่งอมของสิริราทั้งหลายเป็นแบบนั้นไหมโยหรือพอเห็นปั๊บมันก็เฉยๆทีนี้ที่เห็นแล้วเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเราท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านอัตถาของความแก่ เราจะเห็นว่าคนแก่เนี่ยชอบบน่นพูดมากพูดซ้ำรากเล่าอาดีตใช่ั้ยพูดแล้วก็พูดอีกอะไรต่างๆเหงนี้เลยกลายเป็นความน่ารำคาญแต่ในยะตรงกันข้ามถ้าไปเห็นเด็กเนี่ยพูดซ้ำรากพูดแล้วพูดอีกใช่ั้ยพูดไปน้ำลายก็ยืดไปบงไังทายหัวใจละปัสสาวะออกมาบ้างอุ้นน่ารัก ไม่มันมิติอันเดียวกันแท้ๆเนี่ยมันทํำไมถึงมองกลับหัวกับหางไปเคยสังเกตไหมมันอะไรมันวิปริตมนนาซิการปั่นนั้นเนี่ยนะเห็นไม่ว่าเราปัญญามไม่เกิดเนี่ยมันเป็นแบบเนี้เวาลาไปพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เห็นขนาดที่ไปเห็นคนเจ็บเนี่ยนะนอนร้องคนคลางไปเห็นคนเป็นโรคเรื้อนไปเห็นเป็นคนโลกโลกเอสไปเห็นคนฟอกไตเนี่ยเลือดเลือดจะซากไปดู ดำป๊ดใช่ไหมเป็นอะไร อ, อมาเนี่ยเคยผ่านสงครามพวกนี้มาเห็นสภาพเห็นไหมพอไปดูในสภาพงั้นแล้วหลายๆคนก็มองโอ้น่าน่นสศาสงสารบ้างขอให้เราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยก็ว่าที่จริงมันต้องอ่านใหม่มันเราไม่พบไม่พ้้อมไปขอไม่เป็นได้ยังไงถ้ากรรมที่มันเคยสั่งสมมาที่จะต้องเป็นไม่หลีกเลี่ยงได้ไหมมีใครอยากเป็นบ้างอะ เอ า, อาไปอินเดียกลับมาเนี่ยบางคนนี่โหป่วยแทบตายเนี่ยยัยงเกตมังบางคนโอ้โหสงสาันกานเลยกลับมาสารพัดบางคนเนี่ยตั้งแต่บางคนนี่เขรดแล้วว่าแวบไม่ไปกแล้วก็ว่าคอยเข็ีดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปด้วยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหาว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ทํากิจเนี่ยนะมันจะกลายเป็นความน่าเบื่อขึ้นมาเลย ทั้งๆ ท, ที่เราเห็นสรีระเหล่านี้ขึ้นมาโทสะก็ได้งานทำขึ้นมาแล้วดูเหมือนปัญญาแต่ไม่ใช่แล้วกลายเป็นโทสะธรรมชาติที่มีความขึงเครียดประทุสร้ายในลมไม่ปรารถนาจะดูไม่แยะปรารถนาจะเห็นไม่ปรารถนาที่จะประสบทีนี้ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านจะคิดว่านพาะพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเบ็เสร็จเนี่ยที่มีสภาพที่นา่า สยดสยองต่างๆกันเยอะแยะไปหมดบุคคลที่เขามีพุทธทิหรือว่าพุทธภาวะในใจเนี่ยสัมมาสัมโพธิในใจก็ดีหรือปัจเจกโพธิแล้วก็สาวกาโพธิในใจเวลามรณะเกี่ยวกันในเรื่องของชราพยาธิริะมรณะปรากฏในกระแสความคิดของท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มี ใช่ไสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งนี้จะต้องมีหุณทางที่จะพ้นจากชราพยาธิรละมรณะต้องมีก็เหมือนเราท่านทั้งหลายที่เห็นปัญหาอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็จะต้องคิดว่าสิ่งที่มันหลุดจากปัญหานี้มันต้องมีใช่ไหมใช่มันก็จะต้องมีเนี้ยประเด็นต่างๆเหล่านี้พระโพธิสัตว์ท่านคิดในยะที่ตรงกันข้ามเป็นร้อนท่านรู้จักเย็นใช่ ท่านมองมองอีกมุมหนึ่งเมื่อทุกมีเนี่ยสภาวะที่ดับทุกมันจะต้องมีถามว่าทุกมีคืออะไรขันใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นทุกมันป ร, ประกอบไปด้วยชาติที่ทุกชาลาทุกพยาทีทุกแล้วก็มรณะทุกสภาวะที่มันตรงกันข้ามกับชาติสภาวะที่ดับชาติสภาวะที่ดับชาส า, ชาสภาวะที่ดับพยาทิ สภาวะที่ดับมรณะ ส, สภาวะที่ดับโสกกาปริเทวทุกขโทมนัสาและอุปาญาตสภาวะที่ดับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่เพราะท่านมาพิจารณาในลักษณะนี้ท่านก็เห็นไหมจิตก็น้อมออกจริงๆในในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันก็คือว่าพระโพธิสัตว์ทุกท่านเนี่ยนะที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาท่านจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อมาท่านก็ เท น, นิมิตและก็เสด็จสุวิเนศกรมสัตตาทิวาสานีมหาปัทานังแล้วก็ปทาหิตวาวเป็นต้นท่านก็ทําปทานทุกข์กิริยาเจ็ดวันเห็นไหมว่าพระตันหังกรเนี่ยท่านบำเพ็ญทุกขะกริยาเจ็ดวันแค่นั้นเองได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านา น, นานไหมนานไหมนะพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันทําอยู่กี่วันหกปีกับเจ็วันนี่ต่างกันไหม ในยุคนั้นเขาอายุเท่าไรนะอายุเท่าไรอายุเป็นแสนเลยใช่ไหมก็เสวยศิริราชสมบัติอยมื่นปีอ่ะคนอายุรุ่นนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาคงเยอะนะเยอะกว่าเราเยอะใช่ไหมในที่สุดจริงๆท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปรากฏในโลกนภาใต้ต้นสัตบัญญัตพุทธโพธิมูล ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไปนั่งแล้วไปทับตัดสรู้ต้นไม้นั้นจะต้องเรียกว่าพระสีหมหาโพธิทันทีเลยนะแต่ทาโพธิสัตว์โตครั้งนั้นนะพระโพธิเมทางกรโพธิสัตว์ก็ได้ทําอธิการาพีนิหารในสํานักของพระตันหังกรพรพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับพุทธบยากรนนะพระองค์เส้นอายุไขในชาตินั้นแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกพระตันหังกรพพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่เที่ยวโปรด เวนัยสัตว์สิ้นแสนปีแล้วก็เสด็จดับขันธบริณีพันธ์ตรงนี้ให้สังเกตอย่างนี้ด้วยนะให้ยอมตั้งเป็นข้อคิดว่าเวลาที่พระโพะโธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเปล่งวาจาต่อหน้าพระเจ้าคิดในใจคิดในใจเนี่ยเจตสังขยัยเปล่งวาจาก้าวลวนเป็นสิบกเนี่ยนะลองคิดดูดีเข้าไปไปกราบกราบพระเจ้าแล้วไปคิดในใจมองพระ พ, พัคตร์พระเจ้าบอกข้าพระเจ้าปราถหาเป็นพระเจ้า แล้วก็พระธเจ้าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พยากรถ้าอย่างเราเนี่ยแค่คิดในใจต่อหน้าท่านพูดตัดจะรู้ดีโดยชอบไปรู้กระแสควา ม, ค, วามคิดของเราอย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดสักสองสามครั้งแล้วเบื่อไหมไม่รับคําตอบเนี่ยเบื่อแล้วเอาไปเปล่งวาจาแต่เนี่ยคิดในใจเนี่ยผ่านพระเจ้ามาแสนสองหมื่นกว่าองค์ใช่ไหมเจ็ดพันกว่าองค์มั้งห้าพันหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ ต่อมาก็คือตอนเปล่งวาจาเนี่ยผ่านพระเจ้าเท่าไหรสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันใช่ไหมประมาณนั้นแหละลองคิดดูที่ว่าไปเปล่งวาจาองค์แล้วองค์เล่ากว่าจะผ่านมาแต่ละองค์เนี่นะเข้าไปถึงก็ไปกราบพระพุทธเจ้าโลกพระพุ เ, เจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นอย่างท่านเนี่ยในอนาคตพระเจ้าค้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เทศปลอบใจไปในเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะ และเจอแต่ละองค์ก็ตั้งอัตยาศัยที่ไม่เจอก็ต้องตั้งอยู่แล้วใช่ไหมยังก็ต้องพูดอยู่แล้วก็ลองคิดดูทีว่านานนักหนาอย่างเราเนี่ยอ้าวถ้าเราตั้งอัตยาศัยสักสองสามเดือนเนี่ยนะพูดทุกวนันทุกวนันสักสองสามเดือนเนี่ยนะพูดไปพูดมามันไม่มีผลอะไรเริ่มเบื่อไหมไอ้ที่เราพูดไว้นี่ชักไม่ค่อยกล้าแล้วแล้วออย่างนะ ถ้าใครกล้าพูดเปล่งวาจาอะไรเข้าไว้เนี่ยเราท้ามานห้าในทัทนทีหนึ่งขันธมานสองกิเลสมานสามอภิสังขารมานสี่มัจจุมานห้าเทเบตธมานนั้นมันจะตามราวีท่านหนักกว่าเดิมอเอาคิดดูอะพระพธิศัต์ทตั้งหลายเนี่ยท่าน ถามว่ากรณีถ้าท่านเปล่งเนี่ยท่านกลัวหรือไม่กลัวนะท่านไม่กลัวแล้วมันจะต้องเจอเล่นงานหนะักเข้านะ่ะเข้าจนเราบอกว่าอุย้ยถอนอธิษฐานแล้วมันถึงจะยอมนะบอกอุย้ยถอนแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้นะอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ตามลาวีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนนพระบุตรีสัตว์ก็ประการต่อมาก็พระเมญะทางกรพระเจ้านะคั้นล่วงเบื้องหน้าแต่นั้นไปพุทธันดรนหนึ่งก็ถึง พระเมธังกรพุทธการสมเด็จพระชิตมารเมธังกรโพธิสัตว์กบุเป็นบารมีครบสิบหกกส่งไก่แสนกับแล้วก็ในปัจฉิมชาติก็บังเกิดในมาตุคันโพธรพุทธชินีนาถพระนามว่าโสธราเทวีนะโสธราเทวีก็คืออ克拉เมสีพระเจ้าสเทวาราชบรมกษัตริย์ในเมฆระราชธานีสมเด็จพระชินศรีเมธังกรโพธิสัตว์ได้สวยสิริราชสมบัติอยู่พันปีนะ แล้วก็เสด็จออกวิเนศกรมก็บำเพ็ญหมาทุกการกิริยาอยู่กึ่งเดือนคือสิบห้าวันก็ได้ศัรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ทองทองกวาวแล้วก็ครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์ก็ทำอภิอธิการาพีนิหารในสำนักของพระเมธังกรพระพุทเจ้าเนี่ยก็คือไปประกาศแต่ก็ยังไม่ได้รับพุทธภยากรเนี่ยนะสเด็จพระเมธังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ดำลงพระชน พุทธกิจอยู่สิ้น9 0 0 0 0มปีแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็ล่วงไปต่อมาก็มาถึงสมัยของพระสารนังกรพระพุทธเจ้าในลําดับการเบื้องหน้าแต่นั้นก็สารนังกรพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสารนังสารนังโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญบารมีมาถึงปริปาการสมัยจวนควรสุกรอบแล้วในปัจฉิมชาติพระองค์ก็ได้บังเกิดในมาตุคันโพธรพระพุทธชนนีนาฏ ทรงพันนามว่ายศสาวดีเนี่ยนะผู้อัครมเหสีพระเจ้าสุมังคราหาราศผู้ผ่านมหาสุระยะราสสมบัติอยู่ในสุไพรสุ ป, ปะสุปุตสานครนะสมเด็จพระชินศีสนากรโพรธิสัตว์เกวยสิริราชเป็นคารวาสอยู่เจ็ดพันปีแล้วก็ออกสู่วิเนสกรมนะการเห็นนิมิตก็เหมือนกันกระทำมหาปณิธานทก ร, กริยาอยู่เจ็ดเดือน ได้ตัสรู้สัมมาสัมพธิยานใต้ต้นแค่ป่อยครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงกระทําอธิการาพินิหารในสำนักของพระสาระนังกรพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับพุทธบุตรกรขั้นสิ้นประชนแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสมเด็จพระสาระนังกรพระพุทธเจ้าก็มีประชนมายุตลอด 3.7 0 0 0ปีแล้วก็เสด็จดับขันธปริณีพานนี่ก็ไปแล้ว ทีนี้ประการต่อมาก็คือมาถึงสมัยสมัยของพะตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จริงเรามาเตรียมประวัติของพะตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแบบพิสดารมาดูเวลาดูใจของพวกเราแล้วก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนีก็จะลองเล่าสักเล็กน้อยนะ เล่าเกี่ยวบในเบื้องหน้าศาสนานั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะดูจากประวัติของพระธีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเล่าประวัติอาจจะเล่าหมดเนี่ยไม่ได้เวลาไม่พอเวลาไม่พอเนี่ยคือดังที่ได้กล่าวแล้วในกราบที่บังเกิดขึ้นมีพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระตันหังกรพระเมยียทางกรพระสระนังกรแล้วก็พระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ล่วงเลยผ่านมาสพระองค์แต่พระบรมโพธิสัตว์ของเราก็ไม่ได้รับพุทธบุากรจากพระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์นะทั้งๆ ท, ที่บา ร, รมีเนะี่ยครบแล้วเนี่ยนะพอมาถึงสมัยพระทีปังกรผู้ทรงทําการสงฆ์ประชาชนผู้ทรงนาําภัยแก่พลแห่งมารทรง ท, รทําปฏิบคือพระยานสเสด็จอุ บ, บัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพระมหาโพธิสัตว์นะพระนามพัทีปังกรนั้นบําเป็นบา ร, รมี30ทัศน์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ บารมีสิบอุปาบารมีสิบปรมัตถบารมีสิบบารมีสามสิบทัศ ด, ดำรงอยู่ในอัตภาพเหมือนกับพระเวสสันดรทรงให้มหาทานนั่แหละในชาติสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนกันก็คือบำเพ็ญมหาปริยาคะแผ่นดินไหวไหมแผ่นดินก็ไหวเนี่ยถ้าตอนนี้เสบ ม, มดเกิดแผ่นดินไหวนี่แสดงว่ายังไม่มีพระบอทิสสัต์บรมเพนบารมีอะไรใช่ไหมแสดงมีการโยนอะไรกันแน่นอนใช่ไหมเจ้า <laughs> ถ้าเป็นดินไหวตอนนี้เราก็คิดว่าให้นึกถึงอะไรดีใจต้องจะมีปีติให้นึกสงสยัยพระโพธิสัตว์ลงมาเพลินเพลินบรารมีแล้วมัง้งอะไรอย่างี้ก็ให้มหาทานเป็นเหตุให้เป็นดินไหวยเมื่อสิ้นมะพระชนมาโยแล้วบังเกิดในชันช้นดุสิตเอาทำไมชั้นดุสิตเป็นที่ชุมนุมของพระโพธิสัตว์เคยคิดอยากไปเกิดบ้างไหมยชั้นดุสิตไม่มีการเดินกระบวน วันนั้นพระโพธิสัตว์อยู่เยอะเนะี่ยก็ตอนเนี้นะถ้าใครปรารถนาอยากจะไปชมพระโพธิษัตว์ก็ไปเกิดในชั้นดุสิตจะจะไปเจอพระโพธิษัตว์สียาเมตไตรท่านท่านประทับทิพย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอท่านนะหรือท่านลงมาสร้างบารมีหรือไม่ก็มากระโจเดาเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอาจจะเจอก็ได้ถึงแม้ไม่เจอเดีมากก็เป็นที่พักของพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลาย ทีนี้ในโรคของเราเนี่ยนะยอมเคยเห็นภูเขาซิเนลูไหมเคยเห็นไหมอ่ะถ้าเขาบอกให้อธิบายภูเขาสิเนรูยัว่าไงศึกษาก็ทํากันมาเยอะๆเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งนะท่านมาหาอํนาจตอนยุคสมัยกรุงศรีวยาเนี่ยตอนพระเจ้าทรงธรรมตอนนั้นบาดหลวงก็ส่งคริสต์โมบพวกไอสันตาปาปาทั้งหลายก็ส่งบาดหลวงเข้ามาในประเทศไทยมาเผยแพร่รทิฏฐิ พระเจ้านเนี่ยเนี่ยส่งมาเยอะหมดบาทหลวงก็มาถามถามเลยถามพระไทยเราสมัยนั้นส่ทรงคําสอนเนี่ยถามว่าในคําสอนของพวกท่านเนี่ยใช่ไหมประถามพระเจ้าแผดินได้ไหมว่ามีภูเขาเิเนลุตรงชี้ที่ตั้งหน่อยที่อยู่ตรงไหนวูเขาเิเนลุพระเจ้าทรงทำในยุคนั้นก็ประชมพระเทราผู้ใหญ่ ทรงพระไตรวิดกสอบถามพระเทล่าลไม่มีใครตอบพระเจ้าแผ่นดินได้พระเจ้าแผ่นดินหงุดหงิดมากยุคนั้นกลับไปก็บน่นบอกเจ้ากูนี่เลี้ยงมอเปื่งก็สุกแท้ขออภัยเนี่ยตตอบไม่ได้ทำยังไงถ้าถามพวกเราพวกเราจะตอบอยังไงเนี่ยจริงๆมีไหมวกเขาสินเนรุ แล้วตั้งอยู่ตรงไหนท่านบอกว่าจมลงไปในมหาสมุทรใช่ไหมเล็กลงไปในมหาสมุทรใช่ไหมแล้วก็สูงขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็มีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชกาเดาดึงสายามาเนี่ยเวียนรอบภูเขาสินเนลูโดยหลักการจริงๆภูเขาสินเนลเนี่ยเป็นโลกทิพย์เหมือนเทวดาที่อยู่กับต้นไม้เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ไม่เห็นซึ่งเขาก็มีท่านก็มีวิมาน อยู่ในต้นไม้ฉะนั้นภูเขาสิเนลูเนี่ยก็เป็นโลกทิพย์คนที่ตาดีนะท่านเห็นแต่อย่างตาที่ไม่มีทิพย์กระจกขู่ยาณอย่างเราท่านทั้งหลายนะ่ยมองไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นงั้นกลุ่มเทวดาทั้งหลายท่านก็อยู่ตามใช่ไหมลอบภูเขาสิเนรู่แล้วขึ้นไปตามลําดับเป็นชั้นของสวรรค์ไปนักเทวดาเข้าใจนะทีนะี้เวลาไปตอบนักเรียนได้ตอบก็ได้เข้าใจปา ดไปตอบพวกเขาสิเนรู้ไม่ได้อีกเดี๋ยวเอ๊ะเปลืองก็สุกแท้ตรงนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นเป็นโลกทย์เพราะเป็นเทวภูมินะเป็นเทวภูมิเป็นเป็นที่อยู่ของชั้นเทวดาทั้งหลายเป็นต้นพอาพอที่สัตว์ของเราก็ดำลงอยู่ในชั้นดุสิตดำลงอยู่หน้าที่ตรงนั้นตลอดอายุขยแล้วเมื่อเทวดาหมื่นจักรวาลมาชุมนุมกันก็ทูลว่า เทวดาท่านกา็ทราบข้าแต่พระหมหาวีระนี้เป็นการนั้นสมควรสําหรับพระองค์โปรโเดเสด็จอุบัติในคันของพระมารดาเถิดบอดให้จุติได้แล้วแล้วไปถือปฏิสนธิในครันของพระมารดาพระองค์ก็ควรจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากกามโมคา้าพระโวคา้าทิโถโขคา้าและอวิโชคะโดยเฉพาะก็คืออวิโชหรืออวิชานี่แหละคือความมืดมิดของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละโปรดตัสรุปอมตะบทเถิด เข้าใจคําว่าอมตะบทไหมยองแตัสรู้อะไรแตัสรู้พันิพานอมตะบทเนี่ยคือเป็นบทที่ไม่ตายตอนนี้เราเนี่ยถ้าเราเกิดมาแล้วอย่างนี้เราต้องตายไหมเนี่ยขันธ์ญาติยตนะก็มีจุติขณะนั้นเมื่อขันธ์ญาติยตนะเกิดขึ้นครั้งแรกเขาเรียกปฏิสนธิเขาเรียกสัตว์เกิดสมมุติว่าสัตว์เกิดก็มีขึ้นเมื่อการปฏิสนธิ แต่เมื่อขันธาอายตนะนีจุดติลงขณาพบได้พบหนึ่งขาดลงขนาดพบได้พบหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าสัตว์ตายแท้ที่จริงสัตว์เกิดสัตว์ตายมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงหรือไม่มีไม่มีหรอกเป็นการสมมุติเรียกแต่ขันที่ปฏิสนธิมีอยู่ขันที่เกิดสืบต่อ น, นั้นมีอยู่ขันที่จุดตินั้นมีอยู่ก็ก็เรียกว่าขันเนี่ยเกิดใช่หไหมก็เรียกว่าสัตว์เกิดมาแล้ว ตอนนี้เขาเรียกว่าสัตว์แก่แล้วใช่ไหมตอนนี้สัตว์แก่หรือยังแก่แล้วแล้วสัตว์เก็บปะยังแล้วใกล้ตายยังใกล้แล้วนะเ <c oughs> นี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีสมมุติเรียกว่าสัตว์เกิดสัตว์แก่สัตว์เก็บสัตว์ตายสัตว์นั้นโศก ล่ําไลรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจก็เลยเรียกว่าสัตว์บุคคลเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเลยเข้าใจอย่างเนี่ยเขาเรียกบัญญัติควบคู่ไปกับปรามัตดที่มันเป็นไปอยู่ในสังสารวัตรถ้าไม่มีปรมัตดประชุมกันนะที่ไหนการบัญญัติจักไม่มีอยู่หน้าที่ตรงนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่นี้เพราะมีขันทาตศยแตนะมาประชุมกันอยู่ก็เลยมาบัญญัติเ ร, รียกสัตว์บุคคลแล้วก็หญิงชายไหมเพื่ออะไร เพื่อให้เรียกขานกันได้บัณฑิตทั้งหลายก็เลยมาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อถ้าอย่างนั้นจะเรียกกันถูกไหมเอาขันอยนายตนะธาตุอย่านั่งบังได้ไหมแล้วก็งงเลยใช่ไหมขันอายตนะธาตุร้องไห้ขันอยนายตนะธาตุกินอาหารขันอยนายตนะธาตุโศกรต่างๆก็จะพูดกันยุ่งใหญ่แล้วแต่นี้ก็เลยต้องเรียกทีนี้เรียกไปเรียกมาไม่อย่างนั้นเนียมาพูดตรงนี้ตรงสายมาชอบแวะทางอยู่เลยเนี่ย ถามว่าในการที่โลกของเราอุบัตรเกิดขึ้นครั้งแรกวันก่อนยอมเอาเรื่องอสงไข่ยม่มาดูใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่มานั่นแหละจากกาลที่เกิดขึ้นครั้งแรกไปดูในอคัญญสูตรตอนเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มเจริญขึ้นมาตามลาดับเขาเรียกโลกของเรานี่ตอนนั้นก็เกิดความโอ้โหหอมหวนมากใช่ไหมสดชื่นมาก ทั้งดินน้ำไฟลมต่างๆตัวนี้ก็ขยายตัวนักเข้านเข้าก็ทั้งความสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาต่อมาก็มีอาภัสระพมใช่ไหมลงมาในสุดจริงๆก็ฌานสมาบัติก็เริ่มเสือ่อมนัเข้านักเข้าก็เลยมีประช า, ากรมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับฉะนั้นพอมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามลำดับเนี่ยต่อมาอะไรเกิดขึ้นเนี้ยพอมีผู้คนมากขึ้นมาความวุ่นวายเริ่มตามมาไหมใช่ไหม การแย่งกันกินแย่งที่อยู่อาศัยแย่งเครื่องนึ่งหอมยารักษาโรคโรคแย่งคู่ค้องเลงนต่างก็เริ่มตามกันมาตามลำดับนะัเข้านะัเข้าทำยังไงอ่ะถ้าบ้านเมืองอถ้าสถานการณ์ตอนนั้นวุ่นวายเขาก็มีการมาประชุมกันใช่ไหมพอประชุมกันเบีดเสร็จแล้วก็ทำอะไรเลือกผู้นำเลือกผู้นำถามว่าเขามาชมนมกันเบดเสร็จเนี่ยแล้วเาเลือกผู้นา ทไมต้องเลือกเขาต้องเลือกหาคนที่ดีมีความสามารถเป็นที่เชื่อถือให้เป็นใหญ่ให้เป็นผู้ปกครองตรงนั้นก็เลยมีการแต่งตั้งพระเจ้าสมมหาสมุติเป็นครั้งแรกฉะนั้นโลกใบนี้ชมพูทวีปที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยในครั้งแรกที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยมีระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกใช่ไหมใช่เอาลองคิดดูที่เป็นประชาธิปไตยจริงไหม เขมีการเลือกผู้นำกันต้องไปดูในในพระสูตรนี่ดูทีเขามาชุมนมกันเสร็จเส็จเขบอกโอ๊ยตอนนี้วุ่นวายแล้วเยอะใครเนี่ยที่จะสามารถเป็นที่เชื่อถือเชิดหน้าชชตาเนี่ยเขาก็เลยมีการเลือกพอเลือกกันมาก็เลยเขาเรียกพระพระเจ้ามหาสมมุติก็เลยเป็นองค์แรกของผู้นำของโลกในชมบูเดเวนี้เข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละเป็นระบอบที่ดีที่สุดแหละ ตั้งแต่นั้นมาอมาก็ยังไม่เคยเห็นระบอบไหนดีเท่ากับระบอบนี้เพราะเป็นระบอบที่คนมารวมกันแล้วก็ตกลงกติกากันแล้วก็เลือกเองเลือกเลือกขึ้นมาเลยว่าเนี้ยคนคนนี้มีความรู้ ม, มีความสามารถมันเกิดขึ้นจากฐานรากข้างล่างที่เขาเลือกเลือกกันเลือกกันคัดเลือกกันขึ้นมาแล้วก็เลยมีพระเจ้าสมมติก็สืบทอดกันมาในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไปลักษณะอย่างนั้น ทีนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็มาพิจารณาใช่ไหมพิจารณาบอกว่าเทวดาทั้งหลายก็พิจารณาพอรับอรัตาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็ดเสร็จท่านก็มาพิจารณามหาวิโรกนะหประการมหาวิโรกน่ะหประการเนี่ยได้แก่อะไรการพิจารณาการพิจารณาทวีปพิจารณาประเทศพิจารณาตระกูลแล้พิจารณาพระชนนีหประการเหล่านี้พระโพธิสัตว์เวลาท่านจะมาเกิดท่านพิจารณาท่านเลือกได้ ตอนที่เราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่หน้าที่นี้ที่จะมาเกิดเนยได้มีโอกาสเลือกแบบนี้ไหมมีโอกาสไหมเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกไมการนี้อายุของมนุษย์ขาขึ้นหรือขาลงอยู่ในช่วงไหนมีโอกาสคิดไหมไม่มีเลยเนะยคนบุญน้อยเนี่ยคิดไม่ได้เขาผลักดันให้ไปที่ไม่อยากไปเขาก็มาผลักดันนะไปสัทีซิไปสทัสปสทีที่นิมิตก็มาบอกอยู่เนั่นนะ ฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็พิจารณาบอกว่าถ้าอายุเกินหนึ่งแสนปี เ, ออ เ, ดเดี๋ยวเดี๋ยวเาบอขาขึ้นเนี่ยพระโพธิสัตว์จะไม่มาตัดสรุบนะ